Thank you.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 เรื่องได้กลับกลายไปอย่างน่าตกใจนั้นก็คือในคืนที่ตนเรียกคนมาประชุมที่โรงแฝกเพื่อจะแจ้แช้นผู้ใช้แท้ทำร้ายตนนั้นไม่ปรากฏว่ามีพักพวกของผู้ใช้แท่แม้แต่คนเดียวหากเป็นทหารรักษาภายนอกพระนครซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราเฉพาะในทางทหารไม่เกี่ยวด้วยการปกครองทหารเหล่านั้นจึงไม่มีหน้าที่จับกลุมหรือปราบผู้เล่นการพานัน การที่นักเรียนสากาและพวกพ้องได้แสดงอาการท้าทายด้วยเข้าใจผิดว่าเป็นพวกของผู้ใช้แท่นั้นได้อย่างความไม่พอใจให้เกิดแก่ทหารทั้ง9้าคนเป็นอย่างยิ่งหากเป็นด้วยคําสั่งของสุรเสนาเป็นพิเศษมิให้ทหารมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครให้พยายามอดทนอย่าให้เกิดเรื่องขึ้นได้และนายทหารก็ตรวจตราควบคุมเป็นอันดีเรื่องที่ทําท่าว่าจะใหญ่โต ถึงขนาดข่าฝันกันก็เป็นอันระงับไปด้วยวินัยอันดีซึ่งได้อบรมมาแล้วแม้เช่นนั้นถ้าในขณะที่จะเกิดเรื่องใหญ่นั้นนายทหารพร้อมด้วยคณะไม่ปรากฏตัวแล้วก็ไม่แน่ว่าความอดทนของผู้เทียนใจวินัยจะยั่งยืนไปได้นานสักเพียงไร ความพลาดหวังของนักเลงส ก, กาเป็นลำดับมาตั้งแต่มีหวังว่าจะได้เงินจากพ่อคาเพชรแต่ก็มีผู้มาขัดขวางไว้เตรียมจะแจ้แค้นผู้ขัดขวางแต่ก็ผิดตัวเตรียมคนเข้าต่อสู้เพื่อชิงชัยในฝีมือดาบแต่ก็แพ้และก็ทำให้หมดหวังที่จะคิดการใหญ่ได้สะดวกสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนหนึ่งเปลวอัคีที่เผาล่นจิตใจของนักเลงส ก, กา ให้เดือดร้อนกระบวนการวายสุดที่จะพนานาความฝังใจของนักลลงสากาและบุตรครูดาบปากลงไปที่ชาวขับเกวียนอันมีพระเจ้าสุรเสนเป็นพระมุกว่าตั้งแต่มาอยู่ในอโยธยามหาคนครแล้วได้ทำให้ตนต้องมีแต่ความอั ป, ปยศไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจอย่างแต่ก่อนเพราะฉะนั้นทั้งสองจึงปรึกษากันเพื่อกาจัดพระเจ้าสุรเสนะ พร้อมด้วยบริวารอยู่เสมอมาความเจริญรุ่งเรืองของอโยธยามหานครความซ้องสาธุการของมหาชนในพระราชานุ่มผู้สามารถสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ราชสถานีได้ภายในเวลาอันไม่นานดูเหมือนยิ่งเป็นเครื่องทําความเคียดแค้นให้เกิดแก่นักเลงสากาและบุตรครูดาบเป็นอันมากเพราะเป็นการขัดขวางเม่ตน คิดการทำลายล้างได้สะดวกอย่างไรก็ตามคนทั้งสองได้พยายามซ่องสุมผู้คนไว้เป็นพวกเพิ่มขึ้นโดยลำดับโดยปกปิดไม่ให้ใครสังเกตรู้และโดยการไม่พยายามเกี่ยวข้องกับภายในพระมหานครเลยถ้ามิทุระจะเข้าไปในประตูเมืองก็พยายามแต่งตัวปลอมแปลงไม่ให้ใครจาได้ความชิดและการกระทาของคนทั้งสองนี้แม้ครูดาบ และพรยาก็หาล่วงรู้ไม่แต่พระเจ้าสุรเสนะกลับทรงทราบเรื่องราวของคนทั้งสองเป็นอันดีทั้งนี้เพราะจำเดิมแต่คืนที่นักเลงสกาได้เปรียบพ่อค้าเพชรในทางสกาและพระเจ้าสุรเสนะผู้ปลอมพระองค์ไปทรงแก้ไขให้พ่อค้าเพชรได้สิ่งที่เสียไปคืนจนต้องถึงใช้แสบปราบนักเลงสกาแล้วพระองค์ ก็ได้ส่งคนที่ฝึกดีแล้วมาสมัครเป็นบริวารของนักเลงส ก, กาสังเกตดูความเคลื่อนไหวและนิสัยใจคอต่างๆตลอดมาการที่นักเลงส ก, กาเที่ยวสืบถามในประตูว่าจะมีใครแปลกปลอมออกไปก็ดีสืบหาหมู่บ้านชาวขับเกวียนก็ดีพระเจ้าสุรสีนาะส่งทราบโดยตลอดทั้งนี้เพราะในประตูล่านั้นคือบุคคลที่ทรงฝึกและมอบให้มาทำหน้าที่ จําเดิมแต่การที่ขึ้นสวยรัสมิไม่นานนักการเข้าออกภายในภายนอกพระมหานครในการหรือเวลาวิการนั้นพระเจ้าสุรเสนะทรงทำได้อย่างสะดวกทุกประการเพราะเมื่อฝึกคนไว้ดีแล้วคนเหล่านั้นก็สนองพระราชประสงค์และรักษาความลับเกี่ยวกับการที่เสด็จออกตรวจตราเป็นอันดี ตามธรรมดาประตูพระนครย่อมมีทั้งประตูใหญ่ที่ยานเทียมด้วยมา้าพึงผ่านไปมาได้และประตูน้อยซึ่งเข้าออกได้เฉพาะคนทนิยะได้อบรมพระเจ้าสุรสนะให้เป็นผู้มีความระมัดระวังรอบคอบมาแต่สมัยที่ยังไม่ได้ไปอยู่กับหมู่เกวียนจนกระชั่งได้ไปนในหมู่เกวียนแล้วเพราะฉะนั้นพอได้ครองราชสมบัติก็ทรงศึกษาภูมิประเทศของอยุธยามหานาคร ทั้งภายในและภายนอกมีหุ่นปั้นทำเป็นรูปกำแพงเมืองประตูเมืองรูปภูเขาและหุนทางใกล้ไกลอย่างทีถ่วนในเวลาไม่ช้าก็ทรงมีความชมํานิชํานานในภูมิประเทศเพราะดียอดส่วนของจริงมาให้เห็นง่ายและจําง่ายตลอดจนได้ปลองโพระองค์ไปบ้างเสด็จออกตัวตราอย่างเปิดเผยบ้างจึงเป็นเหตุให้ทรงสังเกตกาหนดไว้เป็นอย่างดี ยิ่งภายหลังทนิยะเตือนให้ทรงระวังศัตรูภายนอกโดยคิดการป้องกันไว้หลายชั้นด้วยก็เสด็จออกตรวจภูมิประเทศที่ห่างออกไปจากพระมหาคนครโดยรอบแล้วให้ย่อส่วนปั้นรูปต่างๆมีเครื่องหมายว่าตรงนั้นเป็นป่าตรงนี้เป็นภูเขาตรงนั้นเป็นที่ลุ่มตรงนี้เป็นที่ดอนเป็นต้นโดยละเอียดเมื่อมีเวลาก็ทรงปรึกษากับทนิยะพระราชบิดาถึงวิธีดัดแปลงภูมิประเทศนั้น ให้เป็นประโยชน์ทั้งในทางป้องกันศัตรูภายนอกทั้งในทางกสิกรรมและอื่นๆผลที่ปรากฏก็คืออโยธยามหานครสามารถส่งสินค้าบรรทุกเกวียนไปค้าต่างเมืองและสามารถส่งขบวนเรือไปตามลำน้ำสะระอยู่เพื่อประโยชน์ในการค้าสินค้าที่ผลิตขึ้นได้ในอโยธยากับเมืองใกล้เคียงและแม้เมืองไกลได้อย่างรวดเร็ว มีอีกข้อหนึ่งที่ทนิยะ์ิถือเป็นสำคัญและสั่งกาชับพระเจ้าสุรเสนะให้ดำเนินการก็คือการรู้จักภูมิประเทศในพระมหานครนั้นจะมีความหมายเต็มที่จะต้องมีการรู้จักตัวบุคคลในส่วนต่างๆของภูมิประเทศดันนั้นว่าผู้นี้คือใครสืบสกุลมาจากใครได้รับการศึกษามาอย่างไรมีอุปนิสัยใจคอและความประพฤติเป็นอย่างไรทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้จักทุกคนทั้งภายในและภายนอกพระมหานครหากให้รู้จักผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือมีความสำคัญอยู่ในถิ่นนั้นๆบางคนอาจเด่นในฐานะเป็นเศรษฐีบางคนเป็นนักเลงนักการพนันและบางคนอาจเป็นพ่อค้าบางคนเป็นผู้พอใจค้าของเถื่อนเหล่านี้เป็นต้นในแผนพังอโยธยามหานครทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้จำลองไว้อย่างยากและอย่างละเอียดนั้นพระเจาสุรเสนทรงปากเครื่องหมายต่างๆเป็นความรู้ส่วนโรงทั้งนี้เพราะธานิยะเคยกล่าวเป็นโอวาทว่าดูก่อนสุรเสนะการเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบในภารกิจเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างเช่นสถานที่บุคคลเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันแต่ความรู้เหล่านี้ ไม่จำเป็นจะต้องแสดงให้ปรากฏเสมอไปบางครั้งอาจจะต้องทำเป็นนิ่งสดับตราฟังคล้ายกับไม่รู้เรื่องราวนี้ตลอดจนบุคคลนั้นนั้นแต่แท้จริงมีความรู้ดีถึงเรื่องราวและบุคคลในเรื่องราวสั้นๆก็คือบางครั้งรู้ก็ทำเป็นไม่รู้บางครั้งเห็นก็ต้องทำเป็นไม่เห็นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปกครองและบริหารราชจิตดูก่อนสุรเสนะ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงหลักธรรมเพื่อความเป็นผู้ฉลาดไว้สามประการคืออาญาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญอปายาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและอุปายาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในอุบายวิธีหรือวิธีการคือเมื่อรู้จักความเจริญความเสื่อมและรู้จักวิธีการแล้วก็ง่าย ที่จะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นและหาทางตัดรอนความเสื่อมให้ลดน้อยลงนอกจากนั้นคำว่าความเป็นผู้ฉลาดในอุบายหรือวิธีการนั้นยังมีความหมายกว้างขวางไปถึงว่าไม่ใช่ว่ามีหน้าที่จะทำอะไรก็ทำไปอย่างไม่พิพจิตรณาหรือทำตามๆกันไปเท่านั้นแต่จะต้องรู้จักดัดแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอสมเด็จพระบรมศาสดา ส่งสรรเสริญความเจริญก้าวหน้าไม่ส่งสรรเสริญความหยุดอยู่กับที่หรือความเสื่อมลงเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามุ่งความเจริญก็จะต้องค้นคิดหรือพยายามแก้ไขของเดิมให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโอวาทเหล่านี้ ทำให้พระเจ้าสุรเสนะทรงรู้จักบุคคลต่างๆภายในและภายนอกพระหมหานครที่เป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าหมู่หรือที่มีคนรู้จักมากตลอดจนมีความเป็นไปในทางที่ควรสนใจเป็นพิเศษการทรงรู้จักเช่นนี้บางครั้งก็ได้การปลอมพระองค์เที่ยวไปในที่ต่างๆบางครั้งก็ได้ทรงฟังรายงานของราชบุรุษผู้มีหน้าที่ต่างๆกัน ยิ่งทรงทำเครื่องหมายต่างๆปักไว้เป็นพิเศษบนแผนผังละเอียดในพระราชมนเทียนเช่นนั้นก็ช่วยให้ทรงอาร่านภูมิสถานและบุคคลผู้อาศัยอยู่ในที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนักเลงสกาและบุตรครูดาบแม้จะมีบริวารมากแต่บุคคลทั้งสองนี้ก็รอบคอบพอที่จะไม่ยอมบอกความประสงค์ใดๆในการคิดสิ่งที่ไม่ดีให้ทราบ จะเปิดเผยก็แต่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่านั้นขณะนี้ความคิดของคนทั้งสองเพ่งเลนไปที่ประตูใหญ่น้อยทั้งปวงของพระมานครว่าถ้าจะชิดการใหญ่อะไรจําเป็นจะต้องยึดประตูไว้ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและการยึดนั้นก็ไม่เป็นการยากถ้าสั่งคนคอยไว้ภายในพระนครสักจํานวนหนึ่งที่มากกว่าคนเฝ้าประตูก็อาจยึดเอาไว้ได้ แต่ความคิดที่ซ้อนกันก็มีอยู่พระเจ้าสุรเสนะได้ทรงใช้ประตูมาแล้วในการเสด็จออกตัวตราภายนอกพระมานคอในราตรีทรงเห็นความสำคัญของประตูมาแล้วจึงทรงสั่งวางการอรักขาวไวหลายชั้นโดยไม่มีผู้สังเกตเห็นเพราะไม่ได้เพิ่มจำนวนผู้รักษาประตูให้มากขึ้นแต่ประการใดผู้รักษาประตูมีจานวนอยู่เท่าเดิมแต่พอถึงเวลากลางคืน ก็จะมีสายโยงใหญ่มาคล้องที่บานประตูทั้งสองเมื่อมีใครเปิดก็จะมีเสียงดังไปยังที่อื่นที่แขวนกระดิ่งเอาไว้อันเป็นที่ซึ่งได้จัดทากาลังสารองเอาไว้ไม่ไกลจากประตูเหล่านั้นกำลังคนเหล่านี้คือทหารรักษาภายในพระมหานครแท้จริงการนำสายโยงใหญ่ติดไว้กับประตูนั้นเป็นความประสงค์ขั้นที่สองซึ่งหมายถึงผู้รักษาประตูถูกจับ หรือถูกรัสร้ายหมดแล้วเพราะในชั้นแรกผู้รักษาประตูยังมีสายโยงใหญ่นั้นในที่ใกล้เคียงเมื่อเห็นศัตรูมาแล้วชักสายนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายให้ทหารผู้รักษาพระมหานครมาช่วยได้ทันท่วงทีต่อเมื่อศัตรูเข้ามาทําร้ายหรือจับกลุ่มโดยไม่ทันรู้ตัวและเปิดประตูเองสายยงใหญ่ที่บานประตูยิ่งจะทําหน้าที่ให้ทหารรักษาพระนครรู้อีกส่วนหนึ่ง เสียงกระดิ่งซึ่งต่างกันนั้นจะทำให้ทหารทราบว่าเพียงเกิดเรื่องขึ้นมีผู้จะเข้ายึดประตูหรือเกิดเรื่องขึ้นแล้วและยึดประตูได้แล้วอันหนึง่งการติดสายยงใหญ่ที่ประตูนั้นก็ไม่เป็นการกีดขวางที่พระเจ้าสุรเสนะจะเสด็จออกนอกพระมาคนคลแต่ประการใดเพราะในประตูทั้งหลายได้รับคัดเลือกและฝึกหัดแล้วเป็นอย่างดีไม่มีบุคคลชุดเดิมอยู่เลยเป็นคน ที่พระเจ้าสุรเสนะส่งไปเปลี่ยนงานกับคนเดิมทั้งสิ้นถ้าพระเจ้าสุรเสนะมีพระชประสงค์จะเสด็จออกภายนอกพระมนาครเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นยามใดแห่งราตรีนายประตูก็จะปลดสายยงใหญ่ออกและเปิดประตูให้แต่โดยปกติประตูที่จะเสด็จออกนั้นก็ไม่ใช่ทุกประตูหากทําไว้เป็นพิเศษที่บุคคลภายในพระมนาคก็ยากที่จะทราบได้เพราะมักมีอาคารบังติด กับประตูเหล่านั้นทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นความคิดของนักเลงสังกาและบุตรครูดาบที่ยึดประตูก็คงเพ่งเลงเฉพาะประตูที่ตนรู้และเห็นว่าเป็นประตูเท่านั้นแต่ความคิดนั้นก็ไม่ได้ข้ามความคิดป้องกันของพระเจ้าสุรเสนะแต่อย่างไร วันหนึ่งนักเลงสัง ก, กาและบุตรครูดาบเตรียมสะสมทุนทรัพย์ไว้ในการส่องสมผู้คนได้ติดต่อให้บริวารของตนคณะหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกพระมหานครประตูด้านใต้เตรียมการป้นบ้านเศรษฐีผู้อยู่ใกล้ประตูด้านตะวันตกคนทั้งสองไม่ลงมือเองแต่ได้คิดการและให้คำแนะนำไปทั้งนี้เพื่อจะอยังความสามารถของราชบุตรภายในพระนครว่า จะมีความสามารถเพียงไรและที่ตนจะคิดการใหญ่ต่อไปนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างจึงสั่งให้บริวารของตนแต่งตัวเป็นคนค้าเดินปะปนไปกับผู้คนและพักอยู่ในบริเวณใกล้บ้านของเศรษฐีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้ทำเป็นคนค้าที่กำลังหงหาอาหารและเตรียมพักผ่อนนอนหลับใกล้ประตูเมืองด้านที่ใต้นั้นในระยะ4หรือหเลทุบาทเพื่อว่าเมื่อคณะ ที่เข้าปล้นบ้านเศรษฐีได้ทรัพย์สินที่ต้องการแล้วคณะที่อยู่ใกล้ประตูก็จับยามประตูมัดแล้วเปิดประตูให้ผู้เข้าปล้นเหล่านั้นหนีไปได้ร้นปลายปชิมยามแห่งราตรีคณะขนค้าปลอมที่พักอยู่ใกล้บ้านเศรษฐีก็เข้าปล้นบ้านแต่โดยวิธีการเข้าถึงตัวผู้คนที่อยู่ในบริเวณบ้านนั้นโดยรวดเร็วแล้วขู่ด้วยอาวุธจึงสามารถเข้าค้นได้เงินทอง ไปเป็นอันมากพร้อมทั้งจับคนเหล่านั้นมัดขังไว้รวมกันในที่แห่งหนึ่งเอาผ้าอุดปากไม่ให้ส่งเสียงดังได้เป็นอันว่าสามารถปล้นทรัพย์สินเงินทองไปได้อย่างสะดวกโดยไม่มีเสียงให้ชาวบ้านใกล้เคียงรู้เรื่องส่วนบริวารอีกคณะหนึ่งที่ทำเป็นพักใกล้ประตูด้านตะวันตกพอเห็นคณะของตนเดินมาแต่ไกลก็พากันรีบไปที่ประตูจับคนฝรัประตูมัดไว้ แต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวนาประตูนั้นนายประตูก็ดึงสายยงใหญ่เสียงกระดิ่งดังขึ้นในบ้านที่พักของทหารรักษาภายในพระมหานครทหารที่เตรียมอยู่แล้วก็รีบมาเป็นกลุ่มใหญ่และโดยที่ได้มีการเตรียมการไว้นานหลายชั้นทหารจากหลายทิศ ท, ทางจึงมาสมทบกันที่ประตูนั้นโดยเพียงการชักสายยงใหญ่ต่อๆกันก่อนที่บริวารของนักเลส ก, กาและบุตรครูดาบ จะเปิดประตูพากันหนีไปได้เหล่าทหารนั้นก็ล้อมและจับไว้ได้ทั้งหมดพร้อมทั้งของกลางโดย ม, มีโอกาสจะหนีไปทันผู้ที่ถูกจับไว้ได้ทั้งหมดนั้นมีถึง20คนแต่และคนไม่ยอมสัดบุคคลภายนอกเลยความผิดจึงยังไม่ตกไปถึงนักเรียนสกาและบุตรครูดาบความขั้งแค้นและความรู้สึกระมัดระวังได้เพิ่มขึ้นแก่บุคคลทั้งสองเป็นอันมากต่างพากันอัศจรรย์ ในความสามารถของทหารรักษาภายในพระนครว่าทำอย่างไรจึงจับกลุ่มคนของตนได้ทันท่วงทีและจับได้หมดโดยไม่ต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อในขณะที่นักเลงส ก, กาและบุตรครูดาบ กำลังครุ่นคิดจะหาวิธีอื่นต่อไปและกำลังระทศใจในความพลาดพลังของตนอยู่นั้นพระเจ้าสุรเสนะกำลังทรงคิดถึงคนไวยชกันที่ถูกจับกลุมว่าเหตุชนไยนคนเหล่านั้นจึงคิดการทุจริตทำไมจึงไม่ประกอบสัมมาอาชีพจะมีวิธีไรให้คนในวัยนี้ไม่คิดผิดหันไปมั่วสมในทางไม่ชอบและผู้ที่ผิดเหล่านี้ ตามเนติแบบแผนของแผ่นดินก็จะต้องตัดมือตัดเท้าแล้วประหารชีวิตเสียแต่จะมีวิธีไรที่จะแก้ไขปรับปรุงจิตใจแล้วอบรมให้เป็นคนดีโดยไม่ต้องฆ่าและประจานให้อับอายเพราะได้ตั้งพร ะ, ะราชฤทัยไ้แล้วที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่าให้มากที่สุดจึงมีพระราชะกระแสให้ขังคนเหล่านั้นไว้ก่อนเพื่อจะทรงหาทางอบรมแก้ไขต่อไปนักเลงสกา และบุตรครูดาบปรึกษาเห็นร่วมกันว่าการคิดอ่านของตนที่จะทำการใหญ่นั้นเห็นทีจะใจร้อนไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องอดทนและคิดงานระยะยามจึงจะสำเร็จเมื่อเป็นที่ตกลงดังนั้นจึงเลือกหาคนของตนที่ไว้ใจได้อย่างดีที่สุดมอบเงินให้ส่วนหนึ่งให้แยกย้ายไปหาทางเข้าทางานใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มทหารและราชบุตรผู้รักษาพระนคร และให้หาทางเข้าทํางานในโรงหล่อค้าปณะของพระราชาแม้จะต้องเสียเงินสินบนสักเท่าไหร่ก็ยอมเสียนอกจากนั้นยังส่งคนเข้าปราบปนในงานอื่นๆอีกโดยได้ยอมทุ่มเททรัพย์สินที่หาได้มาจากการเล่นสกาเอาปเปรียบคนค้าและคนเดินทางผู้ไม่สันทัดในทางนี้โดยวิธีส่งคนเข้าปราบปนในที่ต่างๆเช่นนี้นักเลงสกาเห็นว่า จะเป็นทางให้ตนทราบความลับต่างๆในพระมานครและทำการใดๆได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ใครที่เป็นพวกของลิงสกาและบุตรครูดาบคนของพระเจ้าสุรเสนาที่สมัครมาเป็นบริวารร่วมด้วยก็ทราบและรู้จักโดยมากเพราะฉะนั้นการที่บุคคลเหล่านี้หาทางประปนไปอยู่ในที่ทำงานต่างๆภายในพระมานครด้วยอาศัยความพยายามและวิธีการต่างๆ หรือแม้โดยให้สินจ้างรางวัล น, นั้นพระเจ้าสุรสีนะก็ทรงทราบสิน้นแต่ก็หาทรงจัดการอย่างไรกับบุคคลเหล่านั้นไม่กลับทรงพอพระไทยที่จะคิดการซ้อนอุบายเอาแก่นักเลงสกาในภายหลัง เมื่อคิดการระยะยาวแล้วนักเลงส ก, กายและบุตรครูดาบก็อคิดระยะสั้นเฉพาะหน้าต่อไปอีกโดยไปตั้งสำนักส่องสมผู้คนในป่าห่างจากพระนครอยุธยาหลายโยศระหว่างทางจากสาวัตถีมาอยุธยาคอยปล้นและริบย่างสินค้าหรือเงินทองของผู้เดินทางเพื่อสะสมไว้เป็นกําลังต่อไปเมื่อหนทางระหว่างสาวัตถีกับอยุธยา มีโจรคณะสำคัญคอยปร้นพ่อค้าและคนเดินทางเช่นนี้ทางอโยธยาก็ได้รับความกระทุกระเทืนอยู่บ้างแม้ไม่โดยตรงก็โดยปริยายเพราะเมืองใดก็ตามเมื่อคนค้าและคนเดินทางไปมาติดต่อไม่สะดวกทำให้ขาดรายได้และลำบากในการส่งสินค้าไปขายเมืองต่างๆนักเลงสากาและบุตรครูดาบไปมาที่ภาคของตนบ้างออกไปพบปะบริวารในป่าบ้าง โดยไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติหรือทราบเรื่องละเอียดแห่งการกระทําของตนแต่พระเจ้าสุรเสนะทรงทราบจากคนของพระองค์ที่ร่วมเป็นบริวารอยู่จึงตรัสสั่งให้ไยระวะเข้าไปเฝ้าแล้วรับสั่งความลับด้วยความเป็นหลายประการไพระวะรับสั่งแล้วก็กลับมาสั่งทหารในอาณาจักรของตนปลอมตัวเป็นคนค้ามีขบวนเกวียนและมา้ารีบออกจากเมือง ไปในเวลาเช้าเมืดของอีกสองวันสามวันต่อมาโดยไม่ทันมีใครสังเกตเห็นเหมือนออกเวลาอื่นคนค้าในขบวนเกวียนนี้เดินทางในลักษณะประมาทเมื่อมาถึงทางที่คณะโจรบริวารของเลสกาซุ่มอยู่จึงเสียทีให้หมู่โจรล้อมขู่เอาเกวียนและสินค้าตลอดจนอาหารไว้ได้สิน้นไพระวะพร้อมด้วยคนของตนได้ยอมให้โจรเหล่านั้นริบม้าเกวียน และสินค้าทั้งหลายแต่โดยดีขอแต่ให้โจรเหล่านั้นปล่อยให้ตนในรอดความตายก็พอแล้วพวกโจรก็ปล่อยคนเหล่านั้นไปนําเอาอาหารและสุราที่ยึดไว้ได้ไปเลี้ยงดูกันเป็นที่สําราญครั้นถึงเวลากลางคืนก็พากันสลบสลายเมาหมายสิน้นเพราะในอาหารและสุราเหล่านั้นไพรวะได้ใส่ยาที่ทําให้เหมาและสลบไว้ล่วงหน้าคณะโจรจึงถูกไพรวะย้อนมาจับมัด นำกลับสู่พระนครได้กว่า60คนแต่ก็เป็นคราวที่นักเลงสกาและบุตรครูดาบยังไม่ถูกจับเพราะคนทั้งสองกลับมาพักในเรือนของตนก่อนหน้านั้นเพียงสองวันข่าวการจับโจรได้เป็นที่เรื่องลือกันทั่วไปนักเลงสกาและบุตรครูดาบ จึงทราบเรื่องนี้ด้วยความเสียใจและแค้นใจเป็นที่ยิ่งเพราะตนมีแต่ความพลาดพลั้งตลอดมานักเลงส ก, กาชิดการใหม่ต่อไปเป็นการชิดของคนที่สุดแต่ให้ได้ทำอะไรต่อไปกับคนที่ตนเกลียดชังให้ได้สาสมใจแล้วก็เป็นที่พอใจยิ่งจึงระดมบริวารที่ยังมีเหลืออยู่มาพร้อมกันรวมทั้งบุตรครูดาบแล้วสั่งให้แยกย้าย ไปทั้งสี่ทิศของพระมาณครเมื่อถึงเวลาเกล่งบัชฉิพญญามแห่งราตรีให้ยิงธนูไฟเข้าไปในพระนครเพื่อทําความพินาศให้เกิดพร้อมๆกันทุกทิศทางพระเจ้าสุรสยนตทรงทราบเรื่องนี้แต่ในเวลาประตูพระนครยังไม่ทันปิดจึงทรงพิจารณาว่าจะปล่อยให้พวกเหล่านั้นยิงธนูเข้ามาแล้วจึงสั่งจับกลุมดี หรือจะสั่งจับกลุ่มตั้งแต่บัดนี้ในที่สุดก็ทรงวิจัยว่าควรส่งคนออกไปซุ่มอยู่นอกพระนครและจับกลุ่มคนเหล่านั้นพร้อมด้วยของกลางจะได้เป็นหลักฐานยิ่งขึ้นแต่เฉพาะนักเลงสกาและบุตรครูดาบควรจับกลุ่มแต่ตอนที่ออกจากบ้านของตนโดยเฉพาะบุตรครูดาบตรัสสั่งให้พระวะและบริวารเป็นผู้ไปจับส่วนนักเลงสกานั้นสั่งให้ทหารฝีมือดีอีกผู้หนึ่งพร้อมด้วยคณะเป็นผู้จับกลุ่ม การแบ่งงานให้ใครไปยิงถนูไฟในทิศไหนของพระนครนั้นได้กระทำสำเร็จแต่ตอนกลางวันครั้นราตรีผ่านมาถึงคนเหล่านั้นก็แยกไปเตรียมการตามหน้าที่ของตนนักเลงสกากระบุตรครูดาบนัดแน่กันจะไปคุมอยู่คนละทางต่างจึงออกจากบ้านของตนตามความสะดวกทหารจับนักเลงสกาได้แต่ในเวลากลางปฐมยามแห่งราตรี เหมือนเรสกาพร้อมด้วยบริวารอีกสามคนเดินออกจากบ้านเป็นการจับที่ยังไม่ทันมีการต่อสู้ส่วนภัยระวาพร้อมด้วยคนของตนหลายคนไปซุ่มอยู่นอกบ้านครูดาบครั้นปฐมยามแห่งราตรีบุรครูดาบซึ่งรอจนมันดาบิดาของตนนอนหลับแล้วจึงแต่งตัวรัดกุ่มขัดสอดดาบสะพายธนูไฟเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเพื่อสมทบกับคนของตนณที่ซึ่งนัดหมายกันเอาไว้ บุตรครูดาบพ้นออกจากบ้านไม่ไกลนักภัยระวะก็ออกจากที่ซ่อนพร้อมด้วยบริวารพูดจาขอจับกลุ่มติโดยดีบุตรครูดาบชะงักแล้วก็ชักดาบออกมาพลางถามว่าจะจับกลุ่มกันเรื่องอะไรเมื่อภัยระวะแจ้งข้อหายทราบบุตรครูดาบก็ตกใจที่เหตุไห น, นในเมืองจึงรู้ความลับหมดสิน้นแต่ด้วยมาน่าจึงตอบไปว่าการจะจับกลุ่มข้าพเจ้านั้นท่านจะทําได้ ก็ต่อเมื่อได้ศพข้าพเจ้าไปแล้วแต่ข้าพเจ้าจะขอร้องอย่างหนึ่งคือเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ชายขอให้ใครก็ได้ที่จะสู้ข้าพเจ้าจงสู้กันตัวต่อตัวอย่าใช้วิธีรุมล้อมแบบคนขลาดบุตรครูดาบหาทางออกด้วยแน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะตายสิ้นด้วยฝีมือดาบของตนเพราะจําไม่ได้ว่าบุคคลที่ตนท้านั้นคือไพระวะผู้ชํานาญทางดาบเคยได้ชนะคน ที่ชนะตนไปแล้วเมื่อคราวไปลองฝีมือนอกจากนั้นยังเป็นไพ ร, รวะคนที่ใช้ดาบมะชะตะด้วยไพ ร, รวะได้ฟังดังนั้นจึงสั่งบริวารของตนให้ถอยออกไปห่างๆและกล่าวว่าเมื่อท่านจะไม่ยอมให้จับแต่โดยดีจะถึงกับใช้อาวุธต่อสู้กับพระพระเจ้าก็ตามใจขอให้ทราบไว้เถิดว่าพระพเจ้าจะสู้กับท่านตัวต่อตัวและไม่ใช้วิธีลุมร้อมท่านตามที่ขอร้องมา บุตรครูดาบฟันก่อนไยระวะไม่ใช้ดาบรับแต่หลบแล้วฟันตอบบ้างพระบุตรครูดาบยกดาบขึ้นรับก็ เ, เกิดประกายไฟที่ดาบทั้งสองกระทบกันอย่างแรงบุตรครูดาบรู้สึกทันทีว่าคู่ต่อสู้ฟันแรงมากๆทั้งๆที่ไม่แสดงว่าออกแรงหมฟันอย่างไรเลยทั้งสงสัยว่าดาบของศัตรูเป็นดาบเนื้อดีมากดาบของตนซึ่งบิดาสั่งทำเป็นพิเศษจึงพอที่จะทนรับไว้ได้ ถ้าเป็นดาบธรรมดาอย่างอื่นก็น่าเกรงว่าจะมีอันหักไปเป็นแท้คิดดังนั้นแล้วก็ตั้งใจฟันอย่างบรรจงไม่ได้ประมาทเมื่อฟันนานเข้าก็เริ่มสงสัยว่าผู้ที่ตนต่อสู้ด้วยนี้มิใช่นายทหารธรรมดาสามัญเสีแล้วคงจะเป็นไพระวะผู้ใช้ดาบมัชะตะเป็นมั่นคงเมื่อ พ, พิจารณาไปในความมืดสลัวสลั ว, ลวก็แน่ใจยิ่งขึ้นว่าเป็นไพระวะนักดาบฝีมือดีแน่แล้วก็ตกใจ แต่ด้วยมานะก็พยายามต่อสู้มิได้ลดละบรรดาวิชาความรู้แบบครูที่ท่านบิดาพยายามประสิทธิ์ประสาทให้มีอยู่เท่าไหร่ก็นำมาใช้จนหมดสิน้นในบางครั้งภัระวะก็ดูเหมือนจะงงในยุทธวิธีอยู่บ้างแต่แล้วก็แก้ไขได้ บุตรครูดาบเห็นทางออกวิธีสุดท้ายคือกลและวิธีปัดดาบศัตรูให้แรงที่สุดแล้วจะได้วิ่งหนีไปได้เขาจึงเลือกใช้วิธีตามที่คิดนั้นคือฟันอย่างเต็มแรงไปด้านข้างของดาบไพรวะจนปัดไปทางหนึ่งแล้วรีบพระหนีไปไพรวะไม่ทันสังเกตว่าบุตรครูดาบจะหนีจึงยืนตะลึงอยู่และรีดติดตามไปพร้อมด้วยบริวารบุตรครูดาบวิ่งหนีไปโดยเร็วแต่ไพรวะกับพวกก็ติดตามไปโดยเร็ว เช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าจะหนีต่อไปไม่พ้นจึงตัดสินใจใช้มีดสั้นแทงตนเองถึงแจ่ความตายก่อนที่มีดจะผ่านเนื้อหน้าอกของตนเข้าไปนั้นความคิดของบุตรครูดาบก็แววไปถึงคำเตือนของปิดาที่ว่าแม้พ่อจะได้บอกได้สอนวิชาดาบแก่เจ้ า, จาครบทุกประการแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าจะหมดคนดีที่รู้วิชาดาบยิ่งไปกว่าเจ้าความเป็นผู้สงบสงี่ยม การตั้งอยู่ในความอ่อนโยนอันเป็นคุณธรรมประจำวิชาดาบนี้ต่างหากจะรักษาและส่งเสริมตัวเจ้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ยั่งยืนนานแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังพ่อวันหนึ่งเจ้าจะได้รับบทเรียนจากผู้อื่นซึ่งเจ้าจะนึกถึงคำของพ่อว่าถูกต้องด้วยการลงทุนอันมีราคาแพงยิ่งอาจจะเป็นเลือดหรือแผลอาวุธอาจจะเป็นน้าตาหรืออาจเป็นชีวิตของเจ้าเอง บุตรครูดาบสิ้นชีวิตเพราะมือของตนเองไพระวะจึงได้แต่นำศพไปส่วนคณะของนักเลงสกาซึ่งแยกย้ายกันเพื่อยิงธนูไฟเผาอโยธยามหาะนครนั้นก็ถูกจับปมดสิ้นศัตรูภายในนั้นคือคนภายในเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าเป็นความชั่วช้าในจิตใจของคนเราซึ่งเกิดขึ้นเพื่อทำลายทุกๆอย่างของผู้คิดนั้นเอง